พระนางมหาประชาบดีโคตมีพระราชเทวีของพระเจ้าสุโธธนะพระพุทธบิดาพระมาตุฉาของพระศัสดาผู้อภิบาลพระองค์มาแต่ยังทรงพระเยาว์ตั้งแต่พระนางมหามายาพระพุทธมารดาที่วงคดแล้วทรงปรารอบจะอุปสมบทเป็นภิกษุณีได้ทูลขอพระพุทธอนุญาตมาหลายครั้งยังไม่ประทาน ด้วยทรงพระพุทธธรรมริเห็นการข้างหน้าว่าเมื่อมาตุคามอุปสมบทได้พระศาสนาจะไม่ถาวรแต่ภายหลังครั้งเสด็จอยู่ในเมืองภัยาลีท่านพระนนกราบทูลถามปัญหาว่ามาตุคามผู้บวชแล้วมีทางจะบรรลุธรรมพิเศษได้หรือไม่เมื่อประธานพระพุทธวินิจฉัยว่าอาจอยู่ พระนนจึงทูลขอเพื่อทรงอนุญาตอุปสมบทาแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นภิกษุณีทรงปรารบข้อว่าสตรีเป็นพระผุ้กคลได้เท่ากับบุรุษจึงได้ทรงอนุมัติและประธานพระพุทธอนุญาตให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีอุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยยอมรับประพฤติธรรมบางประการโดยใจความก็คือ จะยอมอ่อนน้อมเป็นรองภิกษุอยู่เสมอไปไม่วางตนเสมอกันและจะยอมมีความประพฤติเป็นไปเนื่องด้วยภิกษุสงฆ์ไม่อยู่เป็นอิสระตามลำพังพระนางเธอได้เป็นภิกษุณีพระองค์แรกในพระพุทธศาสนาในลาดับนั้นประธานพระพุทธนุ ญ, ญาตให้ภิกษุสงฆ์อุปสมบทพวกนางสากิยานีผู้บริวารของพระนางมหาประชาบดีโคตมี ด้วยยติจะตุกรคำในลำดับมาพวกหญิงเข้ามาขออุปสมบทถูกซักไล่เลียงอันตรายิ่งกระมในสำนักภิกษุสงฆ์มีความอับอายจึงประธานพระพุทธอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุณีสงฆ์ซักไซไล่เลียงและอุปสมบทคราวหนึ่งก่อนแล้วพามารับอุปสมบทในสำนักภิกษุสงฆ์ไม่ต้องถูกไล่เลียงอีกสวดให้อุปสมบททีเดียว ภิกษุณีผู้ได้รับอุปสมบทในภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวก็ดีในภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวยังไม่ทันได้รับในภิกษุสงฆ์ก็ดีเรียกเอกโตอุปสมปันาไม่จัดเป็นภิกษุณีเต็มที่ในสิกขาบทภิกษุณีผู้ได้รับอุปสมบทครบในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายเรียกอุพโตอุปสมปา น, นาจัดเป็นภิกษุณีเต็มที่ในสิกขาบท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 ในคราวที่สองกล่าวถึงก็โรเต็มทีไม่ได้เกี่ยวในท้องเรื่องในคราวที่สกล่าวถึงนางสังคมิตาราชากุมารีพระราชบุตรีของพระเจ้าอาโศมหาราชทรงผนวดเป็นภิกษุณีและมาประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ที่ลังกาความจริงมีอยู่เพียงไรยังเป็นข้อจะพึงสันนิษฐานคราวนี้จะกล่าวถึงสิกขาบทต่อไป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 ภิกษุผู้จะสั่งสอนนางภิกษุณีนั้นต้องเป็นผู้ที่สงสมมุติไว้ภิกษุผู้ไม่ได้รับสมมุติสอนนางภิกษุณีต้องปรจิจตีสิกขาบทที่สองว่าถ้าภิกษุแม้ได้รับสมมุติแล้วเมื่อพระอาทิตย์อัสดงแล้วสั่งสอนออพวกภิกษุณีเป็นปรจิจตีสิกขาบทที่สว่าอันหนึ่งภิกษุใด เข้าไปสู่ที่อาศัยแห่งภิกษุณีแล้วสั่งสอนพวกภิกษุณีเว้นไว้แต่สมัยเป็นปาจิตตีนี้สมัยในเรื่องนั้นคือภิกษุณีอาพาธสิกขาบทที่4ว่าอนหนึ่งภิกษุใดกล่าวอย่างนี้ว่าพวกภิกษุสั่งสอนพวกภิกษุณีเพราะเหตุอามิตรเป็นปะจิตตีสิกขาบทที่หว่าอนหนึ่งภิกษุใด ให้จีวรแก่ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนเป็นปาจิตตีสิขาบทที่6ว่าอันหนึ่งภิกษุใดยเย็บก็ดีให้เย็บก็ดีซึ่งจีวรเพื่อภิกษุณีผู้มิใช่ญาติเป็นปาจิตตีสิขาบทที่7ว่าอันหนึ่งภิกษุใดชักชวนกันแล้วเดินทางไกลด้วยกันกับภิกษุณีโดยที่สุดแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่ง เว้นไว้แต่สมัยเป็นปาจิตตีนี้สมัยในเรื่องนั้นทางที่จะต้องไปด้วยพวกเกวียนรู้กันอยู่ว่าเป็นที่มีรังเกียจมีภัยเฉพาะหน้าสิกขาบทที่8ว่าอันหนึ่งภิกษุใดชักชวนแล้วขึ้นเรือลําเดียวกับภิกษุณีขึ้นน้ําไปก็ดีล่องน้ําไปก็ดีเว้นไว้แต่ข้ามฟากเป็นปาจิตตี สิกขาบทที่9ว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่ฉันมิธบาตอันภิกษุณีแนะนําให้ถวายเว้นไว้แต่ครือันปรารบไว้ก่อนเป็นปาจิตติสิกขาบทที่10บว่าอันหนึ่งภิกษุใดผู้เดียวสําเร็จการนั่งในที่ลับกับภิกษุณีผู้เดียวเป็นปาจิตติสิกขาบทเหล่านี้มีความกระจ่างแล้ว ทั้งล่วงเวลาเสียแล้วแม้มีข้อจะพึงกล่าวบ้างก็เกรงจะชักช้าด้วยไม่จำเป็นจึงงดไว้เสีย